เรื่องพระสาระหะเวลานั้นท่านพระสาระหะหลีกเร้นอยู่ที่สงัดเกิดความคิดคำนึงขึ้นในใจอย่างนี้ว่าภิกษุพวกไหนที่เป็นฝ่ายธรรมวาที ภิกษุชาวปราจีนหรือชาวเมืองปาเถยะครั้งนั้นขณะที่กําลังพิจารณาพระธรรมวินัยท่านพระสาละหะได้ปรึกษากันต่อไปอีกว่าภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายอธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาเถยะเป็นฝ่ายธรรมวาทีขณะนั้นเทวดาชั้นสุดท่าวาาตนหนึ่ง ทราบความคิดคำหนึ่งในจิตใจของท่านด้วยจิตของตนจึงหายไปจากเทวโลกชั้นสุทธาวาสแล้วมาปรากฏต่อหน้าท่านพระสาระหะเหมือนคนมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดได้กล่าวกับท่านพระสาระหะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญดีแล้วดีแล้ว ภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาเถยะเป็นฝ่ายธรรมวาทีท่านโปรดวางตนตามความถูกต้องเถิดท่านพระสาระกลกล่าวว่าเทวดาทั้งในการก่อนและเวลานี้อาตมาก็วางตนตามความถูกต้องแต่อาตมาจะยังไม่เปิดเผยความเห็น ถ้ากระไรสงน่าจะแต่งตั้งอาตมาในอธิกรณี้บ้าง